มองเลยวันนี้เป็นทางรอดของเราขอบคุณพระพุทธเจ้าอนุโมทนากับพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะพระองค์เนี่ยดีแท้ช่วยบอกช่วยกล่าวช่วยแนะนำนะทุกมานานแล้วนี่มีพระองค์มาบอกทางให้นะซึ่งพระองค์ให้หวาดกลัวด้วยด้วยทุกโทษในปัจจุบนันและพระองค์ชี้ให้เห็นประโยชน์ทั้งหมด ใครจะปฏิบัติหมว่าชียไอทางถูกอย่างเดียวเนี่ยนะใครจะไม่เต็มใจที่จะเดินทางถูกเพราะฉะนั้นเขาก็มีความสุขที่จะได้รับประโยชน์โลกนี้รับประโยชน์โลกหน้าและที่สำคัญจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นเขาก็สมาทานอ่านทานมีแต่ความกล้ามือมีแต่ความกล้าที่จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะกลัวกลัวว่าถ้าตกอยู่ในสภาพแบบนี้ต่อไปอะไรจะเกิดขึ้น ก็ลองเราลองดูสิก็นั่งอยู่เฉยๆวันๆมันต้องทำอะไรตื่นเช้ามาก็นั่งเฉยๆนั่งทำตาปิดๆปๆไปสักสามปีนะยังว่าถึงไหมไม่ถึงเนี่ยนะอาจจะตายทั้งเจ็ดสัปดาห์แรกแล้วว่างั้นเถอะถามว่าทำไมว่ามันเสียหายเดือดร้อนไปหมดแล้วเนี่ยนะเพราะการที่เขาเากลัวเลยว่าไอ้สภาพที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้มันไม่ดีจริงว่าจะเติบโตขึ้นได้อย่างไรจะเจริญขึ้นได้อย่างไงคุณธรรมจะพัฒนได้อย่างไร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 มันก็สามารถจ ะ, จะจุติเกิดใหม่ได้หมดเพราะะฉนั้นก็ไม่อะไรไม่มีความปลอดภัยทำยั่ไงก็ต้องให้มันสูงขึ้นคุณธรรมต้องสูงขึ้นจนถึงกระดับโอนใจถ้ายังไม่เห็นอริยสัจอย่าเพิ่งรีบโล่งใจอย่าเพิ่งรีบสบายใจว่า ง, งั้นเถอะถามว่าเพราะอะไรเพราะยังมีภัยอีกนะเพราะยังมีภัยเพราะยังมีภัยว่าโอ้ตอนนี้มันสบายดีแล้วนี่มันตอนกลางวันนะแต่ตอนกลางคืนจะเป็นยังไง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 เพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นโทษถึงอะไรกรรมกร32ถ้ายังมีมนุษย์คุกเขาไวข้ขังใครขังยุงใช่ไหมบอกก็ไม่ใช่อย่า ง, งนั้นนะนีก็เห็นเลยการลงโทษทั้งหลายเนี่ยพวกตะพดพวกตะบองพวกเครื่องลงโทษเครื่องประหัตประหารทั้งหลายอาวุธเนิยวเคลียร์เขาไว้ระเบิดยุงใช่ไหมบอกก็ไม่ใช่ไอหัวรบทั้งหลายที่เขาไว้ไปเขาไว้ตกใส่ใครระเบิดเขาไว้ระเบิดอะไรเนี่ยนะสิ่งเหล่านั้นลูกปืนทั้งห่เขาไว้ยิงอะไรเนี่ยไปไหนล่ะร่างถ้าเรายังมีกายอยู่พ้นจาก สิ่งเหล่านั้นไหมไม่พ้นเลยนะะที่ไหนเราคิดว่ามันปลอดภัยที่นั่นมีภัยไม่ได้มีความปลอดภัยอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นก็จะเห็นโทษแม้ทั้งชีวิตในชาตินี้ที่ถูกลงโทษโดยประการต่างๆภายในปัจจุบันภายในสำปรายภพ เป็นต้นเนี่ยก็เห็นแล้วว่าโทษในภพเนี่ยเป็นอย่างโทษในอบายทุกติวินิบาศทุกในปัจจุบันทุกในสัมไตรยภพเป็นอย่างไรจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้พ้นจากภัยอย่างนี้จะต้องปฏิบัติ ด, ด้วยเรี่ยวแรงด้วยพะละกําลังขนาดไหนเพเลยใช้คําว่าสมุตเตเชสิให้อุตสาหะให้กล้ากล้าที่จะเจริญคุณธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยโดยประการทั้งปวงเลยนะไม่ปลอดภัยเลยอย่างบางคนเนี่ยถ้าบอกว่า ฟัวฟุ้งปั๊บเนี่ยรู้เลยว่าถ้ายังฟุ้งแบบนี้เนี่ยนะสุขตินี้ไม่มีความปลอดภัยแม้แต่นิดเดียวเขาบอกว่านอนฝันร้ายแค่คืนเดียวแค่นั้นนะรู้เลยว่าโอ้ะบายจะไปไหนเนี่ยนะจะไปไหนเสียเนี่ยนะหรือฝันเห็นสัตว์ในอบายเป็นต้นถ้าจุติตอนนั้นจะไปไหนอ่ะสมมติไปแล้วฝันเห็นฝูงแมลงพึ่งบินว่อนอยู่ในสวนเนี่ยนะถ้าเราตายตอนนั้นเราเกิดเป็นอะไรดีอะโยม่ากเกิดอะไรดี มีโยมคนหนึ่งโอ้ยฝันว่ากําลังจะไปเลี้ยงควายพอดีเลยพอดีรีบตื่นขึ้นมาคนป่วยนะเกือบจะตายแล้วพะงาบพะงอบแล้วครั้งนี้ก็ปั๊มแล้วกลังฝันว่าจะไปเลี้ยงควายเนี่ยจะไปไหนนาะเนี่ยนะก็จะไปเกิดเป็นพวกนั้นแหละว่างั้นเถอะถ้าฝันเห็นลูกสุนัขตัวหนึ่งสวยอยากได้พันนี้มานานแล้วเนี่ยนะร่างกายก็เกือบตายพอดีโยมว่าจะเกิดเป็นอะไรนะพันไหนเนาะข่าเนี่ยเยต้องคิดให้ทบทวนให้ดีๆนะว่าจะไปเกิดสายพันธุไหน เรื่องแม่เลียงมาเนี่ยนะพอตายพวกนะั้นนึกถึงม้าอยู่ตัวหนึ่งสวยมากอยากได้ม้าตัวนี้อยากเป็นเจ้าของม้าตัวนี้มานานแล้วในที่สุดก็ได้เป็นม้าสมพอนะนะเรื่อไม่ก็แม่นึกอยากเป็นนกมาไอเห็นนกนะนกตัวนี้ทั้งเสียงก็ดีเสียงก็เพราะชอบนกมากชาติน้าจะเป็นอะไรดีอ่ะถ้าตอนนั้นตายตอนนั้นพอดีอ่ะเรือ่อบางคนนี่แม่ชอบเด็กคิดถึงแต่ลูกคิดถึงแต่หลานไปไหนดีนาะเนี่ยมาคิดดูนะว่ามันจะไปหนก็วนๆอยู่นี่แหละ ทำท่าเหมือนกลัววัตตะใช่ไหมที่ไหนได้รักหลานห่วงหลานแทบตายง น, นั้นเลยนะนีะ่เมื่อพระองค์สอนให้เห็นแจ้งสมาทานอาจอารร่าเริงคำว่าร่าเริงนี่หมายความว่าดีใจมากที่ตัวเองได้คุณธรรมต่างๆดีใจที่ตัวเองมีศรัทธาในพระพุทธเจ้า ดีใจที่มีศรัทธาในคำสอนได้ฟังคำสอนดีใจที่ได้เลื่อมใสได้ทำบุญกับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติชอบ ด, ด, ดีใจที่ได้เจริญสั์สถินสีดีใจที่ได้เจริญวิริยินสี์สตินรี่สมาธินสีและปัญญินสีดีใจที่ได้เจริญพภชงดีใจที่ได้เจริญอริยมรดีใจที่ได้ปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกขเวท ส, สำประหังเสติ อันนัหน้า1 5ึ้โอ้ดีใจสบายใจมีความสุขแท้วบบนั้นนะดีใจเพลิดเพลินในคุณที่ได้มีอยู่นี่นะขนาดเราได้คุณธรรมขนาดนี้เรายังมีความสุขขนาดนี้ถ้ามีคุณธรรมยิ่งกว่านี้จะมีความสุขขนาดไหนก็เรียกว่าเห็นกำไรเห็นคุณานิสงเห็นคุณประโยชน์ของกุศลธรรมก็ภาคเพียรเจริญกุศลธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป ถัดเมื่อพระองค์แสดงทำให้เห็นอะไรนะให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารให้ร่าเริงด้วยธรรมีกระถาเสรแล้วพระองค์ก็บอกตรัสถึงสังคาราทีนางอาทีนวังตรัสโทษของกามทั้งหลายเพื่อบรรลุปถมมามัชคั่นต่ำหมายคําว่าตรัสโทษของกามทั้งหลายโทษของอบายเพื่อให้ได้โสดาปฏิมัชตรัสโทษของกามมาพบเพื่อให้ได้อนาคามีมักตรัสโทษของสังสารวัฏ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 เนี่ยเป็นที่หลีกเป็นที่เร้นเป็นที่ป้องกันเป็นที่พึ่งพิงเป็นต้นเพราะฉะนั้นเขาเหล่านั้นเมื่อได้ฟังก็มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเนี่ยนะหลุดพ้นจากกามาสวะด้วยอนาคามีมัจจากภวาสวะด้วยอรหัตตมัจจากทิฏฐาสวะด้วยโซดาปฏิมัิจากอาวิชชาสวะด้วยอรหัตตมัจ ก, ก็ทำที่สุดแห่งทุกได้นะชุดไหนก็ตรัสรู้รมเป็นที่พ้นทุก ในมหาประทานสูตรข้อข้อ51หน้า50ก็สมัยนั้นในพระนครพันธุมดีราชธานีมีภิกษุสงอาศัยอยู่มากประมาณหล้าน8แสนรูปจะพ่อพระหันถ้าส่วนใหญ่เนี่ยนะมีจำนวนมากขนาดนี้ ภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีผู้เสด็จเร้น เ, เสด็จลีกเร้นอยู่ในที่รับเกิดความรำพึงหรือปริวิตกขึ้นแห่งพระไยว่า<ม>บัดนี้ในพระนครพันธุมดีราชธานีมีภิกษุสงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากประมาณหล้าน8แสนรูปภาาอะไรเราเพิ่งอนุญาตภิกษุทั้งหลายว่า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 ให้แยกกันไปทุกทิศเลยนะแตลว่าอย่าไปด้วยกันนะเธอทั้งหลายเมื่อไปแล้วก็จงแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นงามในถ้มกลางงามในที่สุดจงประกาศพรหมจารย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในโลกนี้สัตว์พวกนี้ที่มีกิเลสเพียงดังทุรีในจักษุเบาบางยังมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมสัตว์พวกนั้นจึงเสื่อมเสียไป ผู้ที่รู้ทั่วถึงธรรมะได้จากนี้ผู้ที่พอบรรลุได้จะมีแต่ว่าโดย6ปีผ่านไปโดย6ปีล่วงไปพวกเธอเพึงกลับมายัางพระนครพันธุมดีราชธานีเพื่อแสดงพระปาติโมกข์สมัยที่สมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมีพระชนมายุยืนอย่างพระพุทธเจ้าวิปัสสีเนี่ยพระองค์เกิดในยุคสมัยมนุษย์เมียอายุแปดห0ื่นปี เพราะฉะนั้นหปีนี้แสดงโอวาทปาติโมกครั้งหนึ่ง6ปีแสดงปาติโมกครั้งหนึ่งแต่ถ้าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเกิดในสมัยอายุน้อยสิบห้าวันไม่ใช่สิบห้าปีนะสิบห้าวันครั้งหนึ่งเรียกว่าอุโบสถจตุทศีปณารสีอุโบสถเนี่ยนะอันนะอันชมอุโปสถโถจตุทโสอัชมอุโปสถโถปณารสโสเป็นต้นนะ่ยก็จะแสดงอุโบสถทุกๆุกสิบห้าวันอ่ะนะเือนวันสิบสี่ค่ำบ้างสิบห้าค่ำบ้าง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 ทำเองทุกเรื่องเลยใช่ไหมบอกไม่ใช่เนี่ยนะก็คือกระจายงานออกไปเป็นแต่รู้ว่าใครควรทําอะไรแค่ไหนและอย่างไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็คิดแบบนี้นะเขเหมือนกับว่าค่อยๆ ค, คิดให้พรมรู้ใจทําไมพรมจะได้มาอาราธนาแล้วก็จะอาศัยเหตุอันนี้เนะี่ยเพราะสมัยนั้นเนี่ยคนเคารพพรมมากคือในโลกพื้นฐานลัทธิเทพเจ้าเนี่ยนะมีแต่นี้แต่ไรมาแล้วท่านถ้าพระพุทธเจ้าประกาศธรรมะตามคําขอร้องของเทพเจ้า เหมือนว่าเทพเจ้าหรือเท้ามหาพรหมเป็นต้นอาราธนา ส, สัพพสัตทั้งหลายก็จะเงี่ยโสดลงฟังพระามินี่นะขนาดเทวดายังต้องขอร้องยังต้องอ้อนวอนต้องอาราธนาต้องเชื้อเชิญเท้ามหาพรหมยังเรียกว่าอะไรยังต้องเคารพว่างั้นลูกนพิสูทั้งหลายครั้งนั้นแลเท้ามหาพรหมองค์หนึ่งได้ทราบความรำพึงหรือปริวิตกแห่งในพระทัยของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมา ส, สัมพุทธเจ้า